วันนี้นะครับว่าเป็นวันประเพณีเมืองไทยของเราเป็นวันเทศกาลหรือว่าเป็นวันปีใหม่ปีใหม่ไทยวันที่13เมษาวันนี้ก็เป็นวันที่8วันที่8วันที่9ใกล้ๆวันเสาร์วันอาทิตย์ทางอำเภอนายูงของเราถ้าหากว่าใกล้วันเสาร์วอาทิตย์แล้วก็สงกราน ขรรชการทุกหน่วยเราคงจะกลับบ้านเพื่อเยี่ยมญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนั้นทางทานในอำเภอและกลุ่มราชการท่านจึงได้ทำพิธีก่อนพิธีก่อนคือมุดน้ำดำหัวกรูบายจานที่เป็นพระที่มีอายุพรรษาในถินน่นี้จากนั้นก็จะได้กลับไปมุดน้ำดำหัว ที่พวกเราขอรกนับถือเป็นแขกผู้ใหญ่ต่อไปเพราะนั้นวันนี้จึงได้เกิดขึ้นก่อนวันที่ส3บสาอันนี้ก็นับว่าเป็นมงคลมหามงคลอันหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าคนโบราณท่านให้พวกลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังเพื่อเป็นประเพณีอันดีงาม คนเราก็ต้องมีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายวงสาคนาญาตวั ย, ยวุฒคุณวุฒก็มีวั ย, ยวุฒก็คือผู้ที่มีอายุสูงเกิดก่อนที่เป็นที่เคารพนับถือทั้งท่านเป็นผู้สูงอายุด้วยทั้งท่านได้เกื้อกูลหนุนช่วยเหลือพวกเราด้วยวั ย, ยวุฒคือคุณวุฒก็คือช่วยเหลือพวกเรา แต่ว่าคุณนวศอย่างที่ท่านนายอเภอเนี่ยท่านมีอายุน้อยกว่าจริงอยู่แต่ท่านมีคุณนวิพวกเราก็ให้ความเคารพนับถือเพราะว่าท่านมีคุณนวศเป็นผู้ดูแลพี่น้องประชาชนในเขตอาเภอนายูงของพวกเราถ้าจะว่าไปแล้วก็ท่านเป็นร่มโพร่มไทรของอาเภอในขณะนี้เพราะท่าน มีอำนาจปกครองทางกฎหมายบ้านเมืองดูแลสารถุกสุขดิบของพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอนายุงอันนี้ประวัติคุณนวส่วนวัยยวสก็คือผู้เฒ่าผู้แกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิน่นอย่างหลวงพ่อนี่เป็นฝ่ายพระสงฆ์ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือส ม, มณชีพรามส ม, มณชีพรามอยู่ในท้องถิน่น ผู้นำทางจิตวิญญาณคือหลวงปูอเนี่ยจะแนะนําลูกหลานผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่าเออลูกหลานเอ้ยพวกเราอย่าทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนะ้อให้ทําสิ่งที่ถูกต้องเนะ้อลูกหลานเนะ้ออันนั้นเป็นบาปอันนั้นเป็นบุญอันนั้นเป็นคุณอันนั้นเป็นโทษอันนั้นสิ่งนั้นไม่ควรทนะําเน้อทำไปแล้วไม่เป็นผลดีสําหรับพวกพวกเราท่านทั้งหลายนะลูกหลานเนะ้ออันนี้แปลว่า สมัมมณชีพามเป็นผู้นี้แนะนำทางความรู้ดึกทางทางจิตวิญญาณท่านบอกไปว่าตายแล้วไม่สูญน่ตายแล้วเกิดอีกเ น, น่นรกสวรรค์มีจริงนะลูกหลานเนท่านก็จะอธิบายให้ฟังว่ามีจริงอย่างไรในสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้นำชี้แนะให้แก่ลูกหลานอันนี้จัดว่าสมมชีพามสมมณชีพามก็อยู่ในท้องถิ่น วายวุฒุกูจะในท้องถิน่นคุณวุฒก็อยู่ในท้องถิน่เนเมื่อพวกเรารู้จักทั้งสามทั้งสามสถานที่นะถ้าเราอยู่ก็อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญแล้วก็พร้อมกันได้มาวัดสุวดวาศาสนาก็ได้ว่ายพระอย่างเมื่อกี้เนี่ยต่อไปนี่ก็จะได้กราบรัตนาศินขอสินนะขอศินจากหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็จะให้สินนะ แต่ตามไม่จริงไม่ใช่ให้ศีลดอกไม่ใช่หลวงพ่อให้ศีลเป็นผู้พานําสมาทานศีลหลวงพ่อเป็นผู้นําพวกเราท่านทั้งหลายสมาทานศีลไม่ใช่หลวงพ่อให้ศีล น, นะถ้าหลวงพ่อให้ศีลเนี่ยศีลของหลวงพ่อเนี่ยมีอยู่สองรอยี่สิบเจ็ดข้อนะศีลของหลวงพ่อมีสองอยี่สิบเจ็ดถ้าพวกเรานั่งเต็มไปเนะี่ยหลวงพ่อให้คนละห้านะห้าน สิลหลวงพ่อหมดไปเท่าไหร่ว่างั้นเถะศิลหลวงพ่อหมดแล้วหลวงพ่อไม่มีศิลแล้วงพ่อให้พวกเราหมดเนี่ยแในตามไม่จริงไม่ใช่หลวงพ่อเป็นผู้พาสมาทานเป็นผู้พานำํำตั้งแต่ณโมตระข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคคือให้พวกเราอบน้อมพระพุทธเจ้าจากนั้นก็พุทธังทำมังสังขังสรนงังคัตฉามิข้าไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระนะเป็นที่พึ่ง ดุติตาติเข้าพเจ้ายืนยันถึงสามครั้งจะ ย, ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นศรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นกปานาอธินากาเมมุสาสุรานะ่อันนี้นคือสินหนะ้าเนี่ยินหนะ้าในนะทำไมพวกเราขนาดมาไหวมาสงกราณ์อย่างนี้มาวัดจูวัดวาศาสนาอย่างนี้ทำไมพวกเราจึงรับสินด้วย การรับสีนี่คือประกาศว่าเป็นพวกเราเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกค่ะแลเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบริษัทสี่ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราก็ามาสู่วัดวาสาัสนักิงประกาศตนนะว่าข้าพเจ้านับถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศบอกตรงว่าปานา สำหรับสินของคาวาสยาจมอย่าฆ่ากันนะพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกท่านทั้งหลายต้องการความสงบพรมเย็นเป็นสุขแล้วพวกเราทั้งหลายอย่าคิดฆ่ากันนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นถ้าพวกเราคิดฆ่ากันน่ะพ่อแม่ของใครเราไปคิดฆ่าพ่อแม่เขาฆ่าสามีภรรยาลูกหลานของเขาฆ่าวงสกุลของเขาเขาคิดจะฆ่าเราต่างคนต่างคิดฆ่ากัน คนในชุมชนสังคมนั้นในกลุ่มนั้นจะหาความสงบร่อมเย็นเป็นสุขไม่ได้นะอันนี้คือศินของพระพุทธเจ้าสินข้อที่หนึ่งสินข้อที่สองอธินาทานถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะถ้าคนนี้ขโมยคนนั้นคนนั้นขโมยคนนี้ต่างคนต่างจ้องขโมยกันพวกเราจะหาความสงบร่อมเย็นเป็นสุขไม่ได้นะอันนี้คือศินข้อที่สองข้อที่สาม กาเมสุมิชาจาราเวรามณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาก็มีต่างคนก็ต่างมีถ้าหากว่าพวกเราระราบระลวงไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันพวกสู้เจ้าทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้นะเดือดร้อนนะอันนี้คือสินข้อที่สข้อที่สี่ถ้าว่าพวกเราโกหกต้มตุนหลอกลวงมุสาหาความสัตย์จริงไม่ได้ในชุมชนของพวกเรา ถ้าหาว่าพวกเราขาดสินข้อที่สชุมชนของเรากลุ่มของเราก็หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้นะอันนี้คือสินข้อที่4ี่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวอย่างนั้นศินข้อที่หสุราเมรยะมัชฌะปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าคนเราดื่มสุราเข้าไปแล้วประมาทขาดสติคนขาดสติทําความชั่วเสียหายในทุกอย่างเพราะคนขาดสติเพราะคนเมา ยิ่งมีศัตร์อาวุธอยู่ในมือด้วยแล้วยิ่งน่ากลัวใครเข้าไปใกล้ไม่ได้ไม่รู้จะออกมาไม้ไหนพวกคนขาดสติเพราะฉะนั้นคนขาดสติทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าถ้าดื่มธูราเข้าไปแล้วต้องขาดสติแล้วทําไมเราจึงดื่มธุราทําไมเราจึงไปดื่มมาทําไมเมื่อรู้แล้ ว, วดื่มเข้าไปแล้วต้องขาดสติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า่ะ พวกท่านทั้งหลายใหญ่ยินดีในการดื่มสุราเพราดื่มเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติและความทําความชั่วเสียหายได้มากมายอย่างวันสงกรานที่จะถึงเนี่ยตํารวจไม่รู้กี่ด่านตัวกี่ด่านกักกันคนเมาพวกเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วได้รับการศึกษาดีด้วยกันแล้วปริญญาตรีโทเอกเกือบจะทุกคนแต่ทําไมไม่ห้ามใจตัวเองห้ามใจสักนิดหนึ่งไม่ได้เหรออย่าไปกินสิ ก็รู้อยู่แล้วกินแล้วมันเมาถ้าเมาแล้วมันเป็นยังไงขาดสติเมื่อขาดสติแล้วเสียหายนะบางทีเสียหายเข้าคุกเข้าตารางฆ่ากู่ฆ่าคนติดคุกติดตารางมากต่อมากเพราะเหตุไรเพราะคนขาดสติเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดนะสอนลูกสอนหลานสอนตนเองซะก่อนนั่นแหละนะเอาตอนนี้ไปเมื่อรู้คุณค่าของศินแล้วหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานศิน นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันสงกรานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ยเป็นห่วงเรื่องวันสงกรานแต่ก็แก้ไขได้แต่ขอขอให้พวกเราลูกหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มานั่งอยู่ที่นี่ละ่ะพยายามแนะนําอบรมลูกหลานจากนี้ไปเวลาจะกินข้าวและจะทานอาหารตอนเย็นเน่ยเวลาเข้าล้อมวงะ พ่อแม่และปู่ย่าตายายที่เป็นผู้ใหญ่ก็ควรจะกล่าวเตือนลูกหลานลูกหลานเอ้ยช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานเนอะร์อย่าไปสร้างเหตุสร้างเรื่องสร้างราวและลูกหลานเนอะอย่าไปหากินเหล้าเนะลูกหลานเนอะเขาประกาศทั้งวิทยุประกาศแล้วประกาศอีกพวกเราก็รู้อยู่แล้วเมื่อกินเหล้าเข้าไปแล้วมันก็ขาดจติตบางทีก็ไปตีไปตีไ ป, ต, ไปต่อยไปฆ่ากันด้วยความอารมโมโหโโธโศโกธาจากนั้นก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้น เงินที่เรากรีดยางมาเนี่ยเก็บหอมหลอมลริบมาเนี่ยเพื่อจะซื้อรถยนต์ไว้ใช้เนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาไปประกันลูกประกันหลานมีคดีความพ่อในชู้ก็ได้ขายสนยงสวนยางเข้าไปอีกนะลูกหลานเน่ให้ลูกหลานคิดให้ดีเนาเสียงเหล่านี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็น่าจะสอนลูกสอนหลานกับสจำรับกับข้าวนะหลวงพ่อว่านะแล้วก็ทานายอำเภอบอกว่ากันได้ แต่จะให้นายอำเภอกันคนเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าท่านนายอำเภอไม่ใช่พยายมัจจุราชเหมือนกันเถอะถ้าจะให้ท่านกันอวสัไม่ให้ตายเนี่ยคงไม่ได้แต่พวกเราช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันดูแลอย่าไปดื่มสุราในช่วงที่สงกรานนะหลวงพ่อว่าถ้าพวกเราห้ามกันได้ก็ดีเหมือนกันนะลูกหลานศรัทธาญาติโยมนะและอีกอย่างหนึ่งทีนี้อีกอย่างหนึ่งหลวงพ่ออยู่ที่อำเภอนายูง ม า, มาตั้งแต่ริเริ่มความยากจนของพี่น้องอำเภอนายูงเพราะว่าอำเภอนายูงจะทำไร่ครัมเท่านั้นทำนาก็เท่านั้นทำไร่ก็คือทำไร่ข้าวโพดแล้วกัมันจำปังหลังกิโลหนึ่งห้าสิสตังค์ข้าวโพดก็กิโลหนึ่งบาทกว่าสมัยหลวงพ่อมาอยู่แต่ทุกวันนี้ข้าวโพดกับป่าเข้าไปเกือบ10บบาทมันจำปัหลังก็สองบาทกว่าขี่ยางขนาดขี่ยางก็60กว่าบาทเพราะนั้น เขตอำเภอนายูงของเราเนี่เงินสะพัดพูดไปแล้วเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นในอำเภอนายูงนี่มากนะเพราะเห็นรถป้ายแดงเยอะแยะไม่ใช่แต่รวยแต่พวกคณะนะสัตยาธิยศญาติโยมลูกหลานนะพอลูกหลานร่ํารวยขึ้นมากรีดยางขึ้นมารวยเงินขึ้นมานะคูบาในวัดของหลวงพ่อไปบินทบาทสหมู่บ้านเนี่ยบ้านนาคําบ้านนาคังบ้านชุมพลบ้านห้วยเวียงงามพอลูกหลานกีดยางได้แล้วขายเงิน ขายได้เงินแล้วนี่ก็อยากจะทำํำบุญใช่ไหมเพราะนั้นบินทบาทแต่ละสายทุกวันนีเห็นไหมขนมนมเนย อ, อยู่ในบาตรของหลวงพ่อนี่เลี้ยงเลี้ยงเด็กนักเรียนหรนะือนะเพราะนบางทีก็ใส่ถุงดําไปก็ไปให้เด็กนักเรียนเพื่อจะให้เด็กเลี้ยงเด็กนักเรียนเพราะเหตุไรตะก่อนไม่เคยมีอย่างนี้เมื่อสองสามปีมันี้หลวงพ่อก็อู้ฟู่เหมือ น, น, นกันเหมือนกันเถอะรวยเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะคณะสัาาตยาดโยมลูกหลาน เวลากีดยางได้แล้วก็อยากจะทําบุญนมคนละกล่องสองกล่องมาใส่บาตรนะแตนี้หลวงพ่อก็เห็นลูกหลานมีเงินจะพัดในครอบครัวหลวงพ่อเองในฐานะเป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อก็ โ, อ, โ, อ, โอ้ดีลูกหลานแต่ว่าอดวิตกกังวลเป็นห่วงลูกหลานไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะ ม, มันเงินมันได้มาเร็วเกินไปใครเข้า่าตั้งตัวไม่ติดเศรษฐีใหม่วยังไนหลวงพ่อเลยเป็นห่วงคือ ถ้าหากว่าพวกเราได้เงินขึ้นมาแล้วไม่ได้วางแผนไม่ได้เก็บพร้อมลอมลิบตตามไม่จริงได้เงินมาแล้วแต่ละวันเนี่ยมันน่าจะเก็บไว้ในธนาคารเราจะเก็บไว้เมื่อขายยางแต่ละครั้งเราจะเก็บไว้เท่าไหร่ขายมันแต่ละครั้งเราจะเก็บไว้เท่าไหร่เก็บไว้ในธนาคารให้เป็นกอบเป็นกำเป็นก้อนเอาไว้อันนี้โดยมากหลวงพ่อวอกพอได้มาแล้วก็แบ่งคนนั้นแบ่งคนนี้แบ่งลูกคนนั้นแบง่งหลานคนนี้เพื่อในสุด เงินก็เลยไม่เป็นกอบเป็นกำรรผลในสุดพอมีการมีงานอย่างงานศพอย่างเนี้ยเรื่องงานแต่งงานอย่างนี้เรื่องงานบุญหรือเป่าหรือว่างานขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้โดยมากหลวงพ่อได้ยินได้ยินนะเอามาเลี้ยงกันเลี้ยงจนเกินความจําเป็นบางทีเอารถปิ๊กอัพไปขนเอาเบียร์เอาเหล้ามาเนี่จนหัวเชิดว่างั้นเถะ เวลาโต๊ะไหนนี่นุ่นเอาเบียรยกเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังพอกินเบียรเสร็จแล้วตอนนี้ก็อวดเศรษฐีกันแล้วบ้านีต่ตบให้โลบ้านนี่ตั้งตรงใให้ให้โลตบกันทีนี่พอตบไปตบมามันเสียอกเสียใจไปฆ่ากันได้บานนี่ต่อไปมันจะเป็นลักษณะนั้นพอฆ่ากันตีกันเข้าไปทีนึงเรื่องก็ไปหาตำรวจตำรวจกระทงอายการพิภากษาพราีใส่วก่อนนะสวนยางอะไรเป็นตกตกเป็นของนายทุนอีกอย่างเก่านี่แหละ หลงพ่อเป็นห่วงเป็นห่วงอย่างนี้นะลูกหลานาา จ, จัทไทยญาติโยมเพราะนั้นให้ห้ามลูกห้ามหลานเอาไว้อย่าไปลืมตัวจนเกินไปนะเรื่องกินเหล้าเรื่องเมากินเหล้าเมายาพวกบงพวกเบียร์พวกยาบงยาบ้าคันชายาฝิ่นมันเนียให้ระมัดระวังแต่บางคนก็บอกโอยถ้ากีดยาแล้วไม่กินยาบ้าทำยังไงอันนี้ก็เสียหายนะลูกหลานนะคะนะัทญาติโยมนะมันไม่ใช่ผลดีอีกเหมือนกัน ได้อันหนึ่งมันเสียอนหนึ่งเราได้เงินก็จริงแต่เราเสียคนนะ่ะเราได้เงินแต่เสียคนเอาอะไรใช่ไหมได้เต่าเสียหมานะ่ะเอาอะไรเพราะฉนั้นอย่าให้เสียคนนะถึงยังไงได้มากน้อยขนาดไหนก็พยายามทำเท่าเท่าที่จะทําได้ไม่ใช่ว่าเราจะไปกินให้ตัวเองกินยาเสริมเข้าไปแล้วก็ไปทําเพื่อจะได้เงินมันเสียตัวเองนะ ในเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะทา ย, ยาทยาดโยมโลูกหลานทุกคนในเขตอำเภอนายุงหลวงพ่ออยู่ในกลุ่มของพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนเกิดอยู่ในตุ่มในองค์ในที่เดียวกันถ้าลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองหลวงพอ่อก็ดีอกดีใจด้วยแต่ถ้าว่าลูกหลานอยู่ในเขตอำเภอนายุงตกทุกข์ยากมีคดีความยุ่งเหยิงวุ่นวายนะ หลวงพ่ออยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อก็ไม่สบายใจเหมือนกันเพราะเหตุไรพ่อหลวงพ่อเนี่ยเป็นฝ่ายพระสงฆ์แนะนําทางจิตวิญญาณหรือทางด้านจิตใจอย่าทําอย่างนั้นานะลูกหลานเน้ออย่าทําอย่างนี้นะลูกหลานเน้ออันนั้นเป็นบาปอันนั้นเป็นบุญอันนั้นเป็นคุณอันนั้นเป็นโทษเน้อพวกเราอยู่ในชุมชนเดียวกันให้ระมัดระวังเนะ้อให้ระมัดระวังพวกเราอยู่ด้วยกัน ให้ระวังสิ่งแวดล้อมให้เบังสิงแวดลอ้อมมันออกไปฟังหนะ้าลูกหลานหนะ้าหลวงพ่อสิวเป็นภาษาพื้นบ้านในฟังบานเนีส่สิงแวดลอ้อมคือยคอย่างคือสิงแวดลอ้อมก็คือผู้ผาปลาใหม่อย่างหลวงพ่ออยู่ในสาราเนี่ยก็มีปลาใหม่มีสิงแวดลอ้อมมันออกไปถ้าว่าพวกเฮาถิ่มถุงขยะถิ่มอ้อยงสกรปรกลงไปในห้วยล่างห้วยล่างนี่ก็เกลื่อนไปด้วยสิงสกรปรอันนี้ไปว่า เสียเสียสิ่งแวดล้อมอันเหงื่อการเป็นอยู่แต่สิ่งแวดล้อมของพระพุทธศาสนาหลวงพอ่อยากจะแนะนําพวกออกตนญาติโยมลูกหลานทุกคนพระพุทธเจ้าพันสอนว่าสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวหนึ่งคือหยังเป็นว่าพระพุทธเจ้าพันบอกว่าทิศ ท, ทั้งหกเลยพวกเขานึกยินแต่ทิศทั้งสี่กัทิศทั้งแปดทิศทั้งสีคือตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศ ท, ทั้งแปก็คืออุดอวรวลรพาอาคาเนทักสินถึงพ้ายับฟอนลงไป อันนี้คือทิศ ท, ทั้งแปดแต่ว่าทิศ ท, ทั้งหกเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนคนในยัขั้งพุทธเจ้าขั้งพุทธการเพิ่นบอกว่าทิศ ท, ทั้งหกเนี่ที่อยู่รอบด้านด้านรอบขางให้ละมัดระว่างการปฏิบัติต่อทิศ ท, ทั้งหกแล้วมีแต่ความจะเลื่อนลุงเรื่องถ้าหาว่าเผ่าปฏิบัติต่อทิศ ท, ทั้งหกบ่ถึกความชิบหายจะเกิดขึ้นในตัวของเฮ้าเนอในพวกท่านทั้งหลายเนอทิศ ท, ทั้งหกเนี่คืออย่าง วันสงกานที่สี่หลวงพ่อจี่อธิบายทิศทั้งหกให้แก่พวกเข้าทั้งหลายได้ฟังทิศทั้งหก็คือพ่อแม่ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาบิดามารดาคือไผก็คือพ่อกับแม่ของพวกเข้าพวกเข้าเกิดมาจากพ่อแม่เมื่อท่านเลี้ยงดูห้ามาแล้วเพลินแก่เ่าช่าแล้วห้องข่วรปฏิบัติต่อเพลินจังไหรอันนี้เป็นนาทีของพวกเข้าเด้เมื่อท่านเลี้ยงห้ามาแล้วเ้องใหญ่ถึงขนาดนี้แล้ว ร่างกายของเข้าทุกส่วนตั้งแต่หัวจดตีนน่ะเข้าได้มาจากไผเข้าได้มาจากใสเข้าได้มาจากจอมปวกหรือเข้าได้มาจากโกนไหมเข้าได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เป็นผูวไหหม่าในเมื่อพ่อแม่ไหหม่าแล้วเพิ่นก็เลี้ยงดูเข้าอีกเมื่อเข้าเกิดมาเข้าก็เคยเห็นเด็กหน่อยเกิดมาตัวแดงๆน่ะโบหูยจักยั้งอ่อแอ่พ่อแม่กับประคบปังโอมดูแลพวกเข้า จนเฮ้าใหญ่ขึ้นมาป่านนี่แล้วนนไปบางคนก็เ่าแ ก, ก่มีลูกปี่ล้านต่อไปอีกแต่บางคนก็เป็นนมเป็นสาวขึ้นมาอีกและท่านี่พวกเฮ้าเบิงคิดเบิงรู้ว่าพ่อแม่นเนีเลี้ยงลูกของเพิ่นนะเน่ยเลี้ยงยากขนาดใดพเพื่อนเลี้ยงเฮ้าก็คือกันกับเฮ้าเลี้ยงลูกของเฮ้าเน่ยเลี้ยงยากเพราะนั่นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพนวา่าพวกเฮ้าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเฮ้ามากแล้วเลี้ยงเพื่นตอบ แล้วก็ทำกิจธุระของเพิลนทำกิจธุระของเพิลนก็คืออย่างกับเพลนอยากให้เฮ็ดยังตักน้ำเลียงเอาทํางานทําการที่เพิลนที่ถ้ำเข้ากับซอยไม้ซอยมือเพลนทํากิจธุระของท่านแล้วก็ดําลงวงสกุลเคยค่ายก็ว่าเป็นลูกเป็นเต่าที่ดีบอ่อทะเลทะไหลบอ่อกินเหล่าเมายาบ่สมเลเท่เม่าโบเลนการพนันจนเพลนบ่เป็นทีไหวใจอันนี้ก็ว่าดำลงวงสกุล แล้วก็ประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกประพฤติตนก็คือเฮ้าเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับของพอ่อของแม่เฮ้าย่าเป็นคนที่สะมาเลเทเมา่ยาเป็นคนเกเรอย่าเป็นคนนักเลงหัวใหม่บ่ฟั่งความไผ่พ่อแม่ก็บ่สบายใจได้ข้นานาว่าเพิ่นเป็นอย่างสัตว์เพิ่นกระบอกล้ามอบทรัพย์สมบัติให้เคล็ดใดเพราะว่าเฮ้าเป็นคนบด่ดีอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญบุทธสวนกุ ศ, ศลให้ท่านพวกเข้าที่นางอยู่นี่คงจะมีแต่ว่าพ่อแม่ตายไปแล้วเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วถึงพนจะตายไปก็จริงอยู่แต่ว่าร่างกายตั้งแต่หัวจดเท่ายังเป็นของเพลินอยู่เลยเข้ายังเร่ละพ่รดกจับเพลินมาอยู่พ่อมัรดกก่อนอนี่ยังมีอยู่เพราะนั่นยังพวกเข้ามาเมื่อนี้แหะหรือ ว, ว่าไปที่ไดนก็ตามเดี๋ยวถ้าคุณงามความดีได้ไว้พระได้สวดมนต์ได้สมาทัณฑ์สิน บุญกุศลที่เกิดจากการทำคุณงามความดีของข่าวไปเจ้านี่ขอให้เป็นเพระวละปัดใจขอให้ดวงวิญญาณของพอ่อของแม่ของข่าวไปเจ้าได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเน้อเพราะว่าผู้ข่าได้เอาร่างกายมาทำบุญทำกุศลในวันนี้อันนี้คล้ายๆกับว่าทิศเบื้องหน้าเท่าควรจะปฏิบัติจังท่านทิศเบื้องหลังไอทิศเบื้องหลังก็คือสามีภรรยา เทาเป็นผู้เป็นสามีก็ทำตนให้เป็นคนดีอย่าออกนอกลู่นอกทางอย่าไปหากินเหล่าเมายาอย่าไปหากิเลนการพะนั่นไปหาเที่ยวหาเตะออกนอกลู่นอกทางอันนี้คือสามีภรรยาคือกันให้หูจับนาทีของเจ้าของให้เป็นแม่บ้านแม่เฮื่อนดูแลเก็บง้ำสิงของทำความสะอาดปัดกวาดบ้านเฮื่อนรับผิด ช, ชอบอันนี้ก็คือแม่บ้านที่ดี คานาวมแม่บ้านออกหลอกนอกหลูนอกทางไปหากินเหลา่าเมายาสมเลเทเมาปูจากบ้านมูวจักเงอนพ่อบ้านขึ้ น, นกันครอบครั้วนั่นก็หาความสงบล่มเย็นเป็นสุขบ่ใดขึ้นกันพราเหตุใดอันนี้คือทิศเบื้องหลังปฏิบัติให้ถูกเห็นไหมผมพูดใ้เจ้าว่านะทิศเบื้องหลังคือสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์คนเท่าต้องมีคู่บาอาจารย์สมัยเ่าเป็นเด็กหน่อ ย, อยก็เสียนกอไกลข้อไขข้อ ข, ข, ข, ขวด ABC ีดีจากนั้นพ่อใหญ่ขึ้นมาคนก็สอนประถมมัธยมจากนั้นก็สอนวิธีโบกยางบอกวิธีเทหน้าบอวิธีตัดผมบอวิธีซ้อมรถวิธีเน็บเสื้อผ้าล้วนแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหมดวิชาอาชีพที่สอนเฮ้าอันนี้แปลว่าครูบาอาจารย์ทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายคนเฮ้าต้องมีมูอมีเพื่อนมีมิตรมีสหายมีกัลยาณมิตร คานาวาพวกเข้าบ่ามีกันระยะน้มิด ท, ที่ดีบ่มีมูเพื่อนที่ดีบ่มีหูบ่ ม, บมีตาสิหาความเจริญบ่ได้ขึ้นกันเลยคนบ่มีพักบ่มีพวกเพราะนั้นเรื่องพักพวกก็จําเป็นอย่างมากคือทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายทิศเบื้องต่ําทิดเบื้องต่ําคือทิศใต้ตดินคือเบาวคือคนใส่คนงานทีมคนงานของเข้าหรือคนใส่ของเข้าที่บอกคนที่มาอาศัยเข้า เขาเป็นเจ้าน้ายก็คือว่าเป็นลูกน้องของเฮ้าถ้าเป็นยังลงพอนี่ก็ลูกชิดลูกหาของลงพอ่ออันนี้เฮ้าก็ต้องได้เบิดขึ้นกันว่าเฮ้าสีว่างตัวจังไรมันจึงจิตถูกต้องกับลูกน้องบริวารถาว่าเฮ้าบอดูบอแร่บอหายร่างว่นบอ่อหาอาหารเขาเหยียบย่ําเขาเขาก็บอหายความเขารบนับถือเฮ้าคือกันพพราะเหตุไรเพราเฮ้าบอหายความสําคัญเขา เขาก็ให้ความสําคัญเท่าขึ้นกันเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการก็ไปได้ยากเพราะว่าเพระเหตุใดเพราะว่าเทาบริหารกับหลูก น, อน่องเพรถูกเพราะฉะนั้นบริหารลูก น, อน่องก็จําเป็นสําคัญคือกันควรจะให้อาหารเขาจะได้ให้ร่างวั่นเขาอย่งไรความเหมาะสมจะได้พอเหมาะสมอย่างไรเจ้าน่ายหรือว่าผู้ที่เป็นบริษัทหางลาเนี่ต้องคิดให้ดีอ น, นี้แหละอันนี้เพราะว่าทิศเบื้องต่ําบา ทีเบื้องบนสมณะผลามสามณะพระองค์ไอย่างที่หลวงพ่อได้บอกเนี่ยคือยังคู่บาอาจารย์ยังหลวงพ่อเนี่ยเรว่าสมณะผลามเมื่อเขามหาสมณะผ้ามข่ายเข้ารบแล้วก็ฟัง่งว่าเพิ่นเบ่อจังไดให้ฟัง่งเป็นศีลเป็นธรรมบ่ที่เพิ่นเบ่าให้ฟั่งเนี่ยสมณะผ้ามที่เพิน่นจีแนะ่วได้บาวเนี่เพิ่นบกอกว่าเอออย่าไปเหตุเด้อสิ่งที่มั่นบด่ดีให้เคารพพ่อเคารพแม่เน้อให้เคารพคู่บาอาจารย์เน้อให้มีสามีภรรยายก็ให้เคารพกันเน้อ มีสาหายก็ให้เขารบกันเนอ้อทิดเบื้องต่าก็ให้เขารบกันเนอ้ออันนี้แหละสมณพร่ามเพื่อนจะแนะนําสั่งสอนให้พวกเข้าไปในทางที่ถูกต้องแต่หาว่าพวกเข้าปฏิบัติถูกในทิศทั้งหกนี่แล้วนะพระพุทธเจ้าพูดว่าชีวิตทั้งชีวิตจะราบรื่นจะมั่มีอุปสรรคอยู่เย็นเป็นชุกด้วยกันทั้งหมดเพราะเหตุไะไรเพราะเข้าปฏิบัติถูกต่อทิศทั้งหกแต่หาว่าเข้าปฏิบัติ บ, ตบอถูกต่อทิศทั้งหกนะ กับพอกับแม่กัปทะเลาะกันกับพอกับแม่พอแม่โบไหวว่างใจผลที่สุดเพื่อนกระดกเครียดห่ายให้เห่าไลา่ออกจากกองมรดกตัดน้ำสกุลอีกต่างหากแล้วพวกเข้าจะมีจังไดระบาดเนี่ยสามีภรรยาคือกันแตกสรุปผู้ภายวัาต่างคนต่างประยุทธ์ในกรอบของศีลธรรมคู่บาอาจารย์คือกันบอเคารพนับถือคูบาอาจารย์เพื่อนจะประสิทธิ์ประสานความรู้ความฉ ล, ลาดให้จังใดพวกเขาลงเล่นกระทุนร่วมหัวกันไล่คู่ไล่อาจารย์นี่ส คูบาอาจารย์ที่มีแกจิตแกใจสิประสิทธิ์ประสัดความรู้ความฉลาดให้แกลูกซิตลูกหาจังไดและก็บมูพวกเพื่อนคือกันพักหลังกันอยู่เลยพ่อทํามากฆ่าขายกันไหนพ่อได้เปียบมาฮักหลังมูหักหลังเพื่อนจนมูเพื่อนบ่บบมีพอดีจีมาเป็นมูเป็นเพื่อนพวกเข้าแล้วเป็นจังใดความเดือดร้อ น, นวุ่นวายแล้วจะอยู่จังใดบ่เนี่ยอยู่แบบโดดเดียวเดียวได้เพราะฉนั้นหาความสุขบ่ได้เนีคันบ่ ปฏิบัติต่อทิศ ท, ทั้งหกปถุเพราะนั้นขอให้ฝากไว้กับปลูกกับหลานสุขขู่สุขคนเนอให้ปฏิบัติให้ถูกต่อทิศ ท, ทั้งหแล้วก็พ้อมันกันให้สร้างส้อนลูกหลานจะไปกินเหล่าเม้ายาในเทศกาลนี่ถ้าเป็นไปได้นะและ้วก็ย่ำการยามงานขึ้นกันอย่างที่หลวงพอว่อวานหลวงพ่อเป็นห่วงเนี่ยนะจะไปกินเหล่าหลายให้กินพ่อประมา่านหรือหามได้ก็ยิ่งดีทุกวันนี้ตะกอนกับแมนอยู่บ้านเมืองมัน อยู่เย็นเป็นสุกแต่คู่มือนี่ยมันเขียวมันเข็นกันขืนมาแลนะ้วกินเหล่าเม้ายาแล้วมันข้นมันหลายเอาไปมาจะมาหาขาหาตีกันเกิดเรื่องเกิดเหล้ากันเกิดขึ้นนะ่ผลในสุดเท่าเลยเป็นลูกน้องกีดอย่างเขาคือเราต่กอนเขาเป็นเถ่าแก่สวนยางเขาหน่อยไปต่อไปว่าขายสวนยางให้เขาเนี่ยเพราะเหตุใดเพราะมันมีเรื่องมีเหล้าเด้กเพราะนั่นสิ่งเราหนีก็ขอฝากไว้กับปลูกกับปลานครับศรัทธาญาติโย่ยอมทุกมูมทุกเร่านะ่ะถึงอย่างไรก็คอยเป็นคอยไปให้ ฮูยักเศรษฐกิจพ่อเพียงยังในหลวงพลวานี่พ่อเพียงเคยคายคายกับว่ายาเป็นหนี่ยาเป็นศิลจนเกินไปเหลมมันขยันหให้ฮูจักหาฮูจักให้ฮูจักเก็บให้ฮูจักใช่ห า, าใครฮูจักหาพ่อหามาแม่ของฮูจักเก็บพ่อเก็บแม่แล้วก็ให้ฮูจักษ์ใช่เก็บคือคื อ, อย่างคันว่าเข้าหาขยันหาออกไปหากงนหนีเก่งคือการขับขยันตักหนามมาจะตุ้มกลดหัวท่นะนะ่ะ ตุ่มกลนหัวองกล่นหัวนะี่ยเข้าขยันมาเทพันได้มันก็หัวลงทั้งกล่นวันไปขยันประเดีม๋มันก็บาเต็มจักเดือเพราะเห็ุใดเพราะตุ่มมันกล่นหัวอันนี้คือกันคำนว่าเข้าขยันหาแต่เข้าบูจักเก็บก่อนไปใส่ลุยช่วยแช่ใส่เข่ามือขวาออกมือใส่ออกมือใ ส, อออส่ออกมือขวาใสา่จนโบบูจักประมาณในการใส่อันนี้เกิดหาความเจริญว่าอะไรเกันในครอบครัวนั่นอันนี้นก็คือไม่รู้จักเก็บ ไม่รู้จักใช้ใช่ไอ้ลุยชุยแจกใช่ผู้จักประมาณอันนี้ก็บจีบหายขึ้นกันเพราะนั้นขอฝ่าไว้กับคณะท่านญาติโยมลูกหลานทุกคู่ทุกคนเนออ่ตอนนี้ไปบานนี่หลวงพ่อจะให้สงนามตามประเภทนี่นะเมื่อสงนามเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อทุกปีที่ผ่านมาหลวงพ่อจะมีพระแจกคนออกไปปีนี้หลวงพ่อก็ะคืดแล้วคือสีหาพระใส่ดอมาแจกลูกหลานนอนก็เลยไปเห็นหลวงปู่รี่พ่นแจกพ้าออกโดยไป พอลุงพอก็ไปยกมือเอไหวเพลน้องลูกปัวก็หน่อยขอพาดีได้ลูกปูวเนี่ยเออคนไปลุงพอก็เลยเอามาเนี่ยเนี่ยเครื่องกระลังเนี่ยลไปที่ว่าแจกพวกลูกพวกหลานผพาลุงปุลี่เนี่ยนี่เนี่ยที่แจ้งให้ปูละองละองกันออกไปเป็นที่ระลึกผพาลวงพอนี่เอาไว้แห่งนี้ได้จะพาพนไปกินเหล่าเด้ข้าพนไปกินเหล่าเนี่ยพลหนีออกออกจากกอบแท้แท้เด้ยิ่งเงินยบวัวพาลุงพอนี่พลหนีออกจากกอบเด้ฝอยนั้น อย่าพาคนไปกินเหล่านะพาเนเนี่ยพัพนการปุกเสกมาแล้วจากคู่บ า, าจานมาแล้วแต่พอคืบกันเนะผู้ใดไ ด, ได้องค์ใดก็ใ ด, อ ง, ดองค์นั้นแหลวะวะเพอหลวงพ่อระยกมือไหวเพื่นเนี่ยเพื่อนหามาแต่ไหนหลวงพ่อก็ได้จังสันวันหนึ่งไปฝอยนั่นหลวง พ, อพ่อเคยแจกให้พวกคณะจัดท่าญาติโยมลูกหลานเมื่อสงนาหลวงพ่อแล้วก็ลงไปพักที่แต่ล่างก็ได้นะยังค่อยว่นขึ้นมาครับพาลบเลยก็ไปเลยบาดนี้นะสองรอบนะรอบแรกก็คือ สงนาหลวงพอ่อก่อนเฝ้าเฝ้าสงนะเท่จวกเหลือไปเลยทเท่ไปเลยไปเลยวันในก็ร่อวันในหลวงพ่อจีแจกแจกพระบัดนี้นะคืนมารอบสองหลวงพ่อจีแจกพระนะอา้าวตอนนี้ไปก็คงจะเริ่มพีที่แล้ววนะันนี้นอะ